วันนี้เราก็ปฏิบัติธรรมกันมาเป็นวันที่หกพวกนี้ได้อัมลาภาจากกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉาะเรื่องความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวกายที่เป็นดุนก้อนมหาปุตตลูก ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเห็นมันชัดเจนขนาดไหนก็การปล่อยการวางในรูปขันกายเงินล่ะคือรูปขันธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมประกอบกันถึงจะมาน้อยวันมาโดยที่รู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่ว เ, เราทำสิ่งเดียวกันก็ต้องรู้สึกตัวสัมผัสได้เหมือนกันทุกคนแหละตลอดคนที่ขยันเคลื่อนขยันกลับมาคือขยันปฏิบัตินี่แหละเราไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจไปดูข้างนอกชมนกชมไม้ดูสัจจะลาสิ่งหายใจไปกับอารมณ์ภายนอกเราพยายามที่จะเก็บรายละเอียด เกบรายละเียธรรมชาติของกาย <c oughs> การเคลื่อนกันไหวทั้งเราเจตนาไม่ได้เจตนาไอตัวไม่ได้เจตนาเนี่ยผมจะไปรู้ทันความคิดที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาเหมือนกันตัวเจตนาบางทีเราก็ฝึกหัดจิตของเราเรียกมันให้กลับมาก่อนเพราะว่าทําไมเจตนาทํากรรมฐานก็เจตนาคิดดีพูดดี เจตนาคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีนํำยอ่อน้ำบง่งถ้าเราไม่ขยันรู้สึกตัวกลับมาที่ร่างกายของเราการเคลื่อนการไหวมันก็จะไม่เห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันก็จะไปตามนิสัยเก่าๆนั่นแหละเคยคิดยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นเคยทุกข์ยังไงมีปัญหายัางไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละปัญญาไม่เกิดหรอก มันจะเกิดได้ยังไงเพราะว่าเรามารับรู้เรียนรู้ฝึกหัดแล้วก็เริ่มสัมผัสแล้วก็เห็นจริงในชาติธรรมที่มันเกิดขึ้นมาสัจากความจริงก็คือทุกครั้งที่มารู้สึกตัวไม่ได้ไปคิดสัมผัสรู้มันก็ตรงๆนะมันไม่ได้อ้อมไปไหนเลย แต่สัมผัสรู้มันรู้แบบไหนการวางใจรับรู้ความรู้สึกตัวการมีสติเิกรู้ความรู้สึกตัวตรงนี้ต่างหากที่เราฝึกหลายๆลยวันนะก็เพื่อเห็นสภาวะของสมดุลสมดุลหรือสมดุลบาลานหรือจะเรียกว่าอะไรสมมติตรีจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะภาษาเป็นเฉพาะอาการมันก็เพียงเพียงแค่อาการไม่ได้มีภาษาอะไร เ, เราก็จะรู้แล้วจวังหวะที่มัน เหมือนกับเราฝึกหัดขี่จักรยานใหม่ๆยังไงอย่างนั้นแต่แล้วมันก็ล้มลุกคุกคานหน่อยบางทีก็เก๊กเก๊กเกร็งเกงน่แต่ความกลัวเราไม่มีเพราะว่าเราตั้งใจอยู่แล้วที่จะฝึกหัดเจ็บก็คือเจ็บล้มก็คือล้มล้มก็ลุกใหม่จิตของของเราก็เหมือนกันที่เราฝึกนะเราก็จะเห็นว่าเอ มานทีก็เอียงซ้ายเอียงขวาไม่สมดุลนะถ้าไปทางรูปขันเออมันเอียงไปทางขวาอย่างเงี้ยถ้ามันทางด้านเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอียงาทางซ้ายสังเกตได้ไหมถ้ามันรู้สึกตัวเป็นปกติมันก็สมดุลธรรมดาธรรมดาไม่ได้เข้านอกไม่ได้ออกในนันมีสภาวะแบบเนี้ยถ้าเราทาได้นะ เหมือนกับว่าทรงตัวพอดีพดีจิตของเรามัทรงพอดีพอดีมันจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเลยเดินธรรมดามันจะไม่ได้เก๊กเก๊กเก่งเก่งแก็สังเกตได้มันก็จึงนี่แหละวันทั้งวันก็เห็นอาการต่างๆบางทีมันก็หนักบางทีก็เบานี่ก็สบายที่ก็ผ่อนคลายที่ก็เอาอีกแล้วห่งอีแล้วเบื่ออีกแล้วเงี้ย เราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันแล้วแต่มันถึงแคเราสังเกตแล้วก็เริ่มจับทิศจับทางเห็นทิศเห็นทางเห็นล่องเห็นรอยมันก็จะเกิดพัฒนาการของมันแตกฉานยิ่งยิ่งขึ้นไปพอใจเป็นสบายก็อย่นัออ้นปัญญามันก็เกิดอยู่ตรงนี้แหละตรงความเป็นปกติแต่เรามันไม่สบายก็ไม่ใช่หมายถึงว่า เราจะไม่สามารถเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นให้เป็นบัญญาได้นะเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนเพ่งเป็นพอดีเปลี่ยนเผลอเป็นพอดีเปลี่ยนคิดกับมาสัมผัสรู้สึกที่กายบางทีเรารู้สึกที่สัมผัสนเวลามันคิดมันสัมผัสได้มันตัดออกทันทีขาดออกจากกันทันทีเราก็จะรู้สึกอศัศจรรย์ใจแหละมันมีปรากฏการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน จิตของเราเป็นนามนธรรมสติก็เป็นนามนธรรมแต่มันทันกันพอดีมันก็ปลดล็อกของชีวิตเราเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามความได้ด่างใจไม่ได้ด่างใจขัดทูขัดตาขวางหูขวา ง, วางตามันไม่ตรงมันไม่โดนกับแง่คิดมุมมองของเราทิศถิมานะเราก็จะมีความรู้สึกว่าขัดแยง้งแล้วก็เป็นทุกข์ แต่พอเราเห็นสภาวะที่มันเป็นปกติเราก็จะรู้แล้วอ๋อมันเปลี่ยนไปมันเป็นลักษณะที่เราดูกายไปดูกายมามันก็เห็นจิตของเราเวลามันคิดมันนึกมันฟุ้งซ่านมันง่วงเหงาเหานอนมันลังเลสงสัยมันไปอดีตมันไปอนาคตมันแล้วแต่มันอะ มานทีก็เกิดเป็นปฏิคะให้ราคาทวารตาหัวจมูกลิ้นกายใจของเรามันเป็นทวารที่ท็ให้เกิดความโกภความโกรธความหลงพอเรากลับมารู้เนะื้อรู้ตัวเราก็เห็นเออมันก็เบาๆคลายๆเป็นปกติเมื่อก่อนนั่นแหละยิ่งคิดยิ่งดิน้นยิ่งรัดมันเหมือนกับยิ่งมีปัญหายิ่งคิดแก้ปัญหายิ่งไปไม่รอดเลยปวดสมองปวดหัว แต่พอรามาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันออใช่ใช่ใช่ใ ช, ใชหน้าตาที่เคยแข็งแข็งเคยหน้าผากย่นยนเคยคอเกร็งเกงหลังไม่เมื่อยเก๊กเก๊มันกลายเป็ผ่อนคลายมันคลายจากการไปบัตรเราก็เห็นตรงนั้นกันนี้มันก็จากในรูปแบบออกนอกรูปแบบตรงที่ว่า ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะมันก็กลายเป็นเดินออกมาตักน้ําตักท่าเนี่ยเข้าห้องน้ําห้องท่าเดินไปกุฏิไปศาลาไปกบไปฉันมุ่งเนี่ยมันก็เป็นอาการของการเคลื่อนไหว เ, เดินจงกรมขนาดเดียวขนาดเดียวเหมือนกันแล้วแหละการยกไม้ยกมือก็เหมือนกันจากสิบสีจังหวะกะกลายเป็นเคลื่อนมือไปหยิบแก้ว น, น้ําบ้างอะไรเงี้ยนะพับผ้าพับพ่อน มันก็เป็นการเคลื่อนไหวซักผ้ามันก็เริ่มละแตกฉานไปพัฒนาไปต่อ ย, ยอดไปในรูปแบบออกไปนอกรูปแบบในสถานที่ออกไปนอกสถานที่ในวัดออกไปนอกวัดมันมีกายอยู่ตรงไหนมันก็รู้สึกตัวได้ตรงนั้นมันก็จะพัฒนาไปเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่กลับมาฝึกรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวให้เป็นตรงนี้นะการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือให้เป็นนะ ก็แน่นอนที่สุดแล้วมันก็จะคล่องตัวว่องไวในการทํางานหนะรือว่าในการใช้ชีวิตประจําวันก็เลยนะยากหน่อยมันก็จะเผลอหลงง่ายแล่ะอารมณ์ก็จะครอบงําคลุมทําก็ต้องดีทําก็ต้องเสร็จนะมันวางไม่เป็นหรอกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องงั้นก็เป็นตันหาตลอดเราก็เลยเห็นแล้วว่าเออนะลักษณะของความคิดนะที่มันเกิดในรูปแบบ ขณะที่เราเคลื่อนมือเจตนาเคลื่อนมือมันก็คิดปับ๊บมันเห็นได้ชัดนะคนอื่นเป็นไงไม่รูนะ้แต่โดยส่วนตัวมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเห็นเลยขณะที่อยู่ในรูปแบบเมื่อก่อนตั้งใจมากๆเลยนะบอกเลยและที่กลัวที่สุดก็คือกลัวความคิดเดินเหมือนผีดิบเลยแล้วเราไปไหนมาไหนไม่สนใจถ้าคุณไม่หลบเดี๋ยวเราก็ชนคุณน่นแหละไม่สนใจจับความรู้สึกตัวเดินไปปุ๊บ เวลาจะไปบิณทบาทเดินข้ามสะพานเนี่ยไม่ได้สนใจใครนครั้นะจะกำหนดอย่างเดียวเลยดูซิมันจะเป็นยังไงกำหนดอย่างนี้หนึ่งวันสองวันสาวันไม่สนใจใครไม่สนใจจริงๆพระรุ่นพี่บวชมาจะมาดูแลจะมาสนใจจะมาพูดคุยไม่สนใจนไปๆหลวงพี่ไปไปไหนก็ไปจะเรียกหลวงพ่ออนอายุน้อยกว่าอะไรไม่สนใจนะไปๆไปๆ อาจารย์มาตรวจสอบอาจารย์ถามหน่อยอาจารย์เป็นอย่างที่ผมเป็นหรือเปล่าไม่ต้องพูดอะไรนะอาจารย์นะอาจารย์วรสเทพแกเดินขึ้นไปแกจะไปดูพระที่มาปฏิบัติคือคือเราก็อยู่ก่อนแล้วแล้วแกมาจากที่ไหนแล้วแกก็มาแล้วก็จะมาตรวจสอบพระมีกรรมฐานไหมบอกอาจารย์เป็นเหมือนผมหรือเปล่าให้ตอบมาแค่นี้พอไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะ อาจารย์เรียกแักครั้งเดียวแล้วก็หายไปแล้วนั่นไม่เคยขึ้นไปอีกเลยเพราะไม่ชอบให้ใครมายุง่งมายุง่งมาดูชอบสนใจตัวเองปฏิบัติแล้วมันจะเป็นคำตอบในตัวเองหลวงพ่อบอกทำมาแท้ต้องตอบด้วยตัวของตัวเองอย่าให้คนอื่นตอบให้เราทุกเราก็รู้เราทุกข์ว่าอะไรชีวิตเราเราเลือกที่จะเรียนรู้มีครูบาอาจารย์เพราะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านไปดูนะ ตรงนี้แหละเราจะสังเกตได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะท่านจะรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่วางกิตวางใจยังไงวางกายวางใ จ, งใจยังไงท่านรู้ชัดท่านมีประสบการณ์มาก่อนจชนท่านชี้เรื่องเพ่งอย่าง น, นโอ้สะดุงเลยนะคําเดียวท่านั้นเนี่ยเราก็รู้รักษาไหนเราก็ลองเพลงอยู่เราก็ถอยถอยถอยถอ ย, ถอยมาให้คลายพอดีท่านบอกก็ดูอยู่นะครับผมดูอยู่ครับนก็เห็นอยู่เนะี่ยบางทีมีคําถามงันหลวงพ่อ ผมมีความสุขอการก็หม่อมลงไว้นะกลางลําตัวนะกลมหายใจผ่านไปมันตัดกันพอดีตรงนั้นสบายสบายหรือว่าสังเกตเนะมันคืออะไรเนาะไอ้ตรงนี้ไปถามหลืว่าว่าบอ ก, บอ ก, บอ ก, บอกปัสสธิดูมันอยู่รู้ว่าอยู่กับมันดูมันอยู่ใช่ไหมครับผมดูมันอยู่เห็นมันอยู่หรือว่าคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาวันนั้นก็คือมันเป็นอยู่ที่สลากลางน้ําปฏิบัติ สุดยอดมากสระกลางน้าที่นั่นเป็นเขตของพระนะไม่นิยมให้ผู้หญิงไปเป็นเขตของพระอยู่กันเป็นที่ลงโบสถ์ <Yeah. S 1> เรียกว่าคามสิมสีมาตรงนั้นนะสิมสีมาอุทกสิมสีมาเป็นเขตน้ำที่เป็นเรียกว่าพัทธสีมาก็คือบุรุษที่มีกำลังวิทน้ำเข้าไปแล้วก็ไม่ถึงเรามีสะพานต่อไปไม่เชื่อมกัน กำหนดให้เป็นสีมาพระสามารถลงปฏิมโมกได้กำหนดไว้อย่างนั้นก็นอนเล่นเล่นแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะเล่นเล่นมันเกิดมีอาการนึไขึ้นมาคืออยอะๆมันใจิตใจมันผ่องใสเงยียบไปเลยนะเอ๊ะทำไมสบายีวันนี้มันตื่นตัวเบา แมันเกิดอะไรขึ้นมาสังเกต ด, ดูอ๋อมันมีลักษณะว่างๆโล่งๆอยู่ในหัวสังเกต ด, ดูลมหายใจไปแตะๆอย่างนี้นเออมันอะไรเนี่ยหลวงพ่อบอกปัสจิติอย่างนี้นถ้าดูมันเอาดูด้วยตรงนั้นเราคือปัสจิติเราก็เลยมาเทียบเคียงเอ๊ะมันยังไงเนาะไอ้ปัสจิติเนี่ยในภาษาบาลีอ๋อความสงบกายสงบใจแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขมากทําวัดเย็นๆอย่างเนีน้โอ้ยนั่งยิ้มแบบโอ้ เหมือนกับเข้าใจธรรมะอย่างเงี้ยก็เลยสังเกตดูว่าตื่นเช้ามาอาการนี้ยังอยู่ก็แสดงไม่ใช่แสดงไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวสติปัะฐานแล้วก็ริงตอนเช้ามาหายไปกลายเป็นคืนสู่สภาวะปกติธรมธรมดาธรรมดาก็มาสังเกตเอีกอ้าตัวสติมันคือตัวธรมธรมดาธรรมดานี่เองเพราะนั้นเวลามีอาการกลับมาสังเกตมีความเป็นธรรมดาซ่อนอยู่ด้วยไห มันจะหลุดออกมาทันทีนาจากอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆอาการของกายอาการของจิตมันสังเกตได้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวสังเกตนีนสําคัญถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นเห็นตรงนะมันจะเกิดลักษณะของความขยันขันแข็งขึ้นมาวิริยะเกิดขึ้นมาธรรมวิริยะเกิดขึ้นมาการสอดส่องทําเกิดขึ้นมามันจะเกิดเป็นตัวปีติอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมา เมา่เช้าคงจะรู้จักตัวปิติกันดีนะปิติคือนั่นแหละมันความปราบเพื่มใจอิ่มใจนะความหนักแน่นเกิดขึ้นมานะมันจะพัฒนาไปเป็นปัสติและเป็นความสุขต่อไปนะถ้าเป็นภาษาในพระไตรปิฎกในทฤษฎีมันมีอยู่ชัดเจนหลายนะจุดที่มันเป็นเรื่องของการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานปิติก็จุดหนึ่ง อ๋ออันนี้ปิดติมทาให้เกิดมันกับการติดในรสชาติขอความรู้สึกของฟูใจเป็นฟูใจเป็นพองมันมีปัสสติมันก็เงียบมันเหมือนกับยกมือแล้วก็เงียบเจอใจมันไม่ไปนสนใจวอกแวกกับเรื่องอะไรเลยมันตั้งมั่นเงียบเป็นความสงบนิ่งแช่มีการตื่นตื่นอยู่ในนั้นด้วยนะตัวปัสสตินะ มันเป็นความสุขที่ซ้อนเข้าไปสุขเกิดตรงไหนเกิดเพราะเหตุอะไรสมาธิก็อยู่ตรงนั้นแนะเช่นบางคนเนี่ยนั่งเล่นไพ่แล้วมีความสุขสมาธิอาการเล่นไพ่ก็เกิดขึ้นมามีความสุขเกิดจากการที่เรานั่งเล่นดนตรีสมาธิอาการเล่นดนตรีก็เกิดขึ้นมาเรามีความสุขการตีปิงปอง การเล่นกีฬาความสุขมันจะเกิดมาสมาธิก็เกิดมาตรงนั้นน่ะแหละเหมือนกันน่ะแหละเพราะฉะนั้นสุขเกิดตรงไหนสมาธิก็เกิดตรงนั้น mm hmm. เพราะเวลาเรายกมือสิบสี่ชั่ววัลมีความสุขกับการปฏิบัติแบบไม่เรือยังถึงหรือยังทำหรือยังถึงหรือยั ง, ง, ยงใครถึงแล้ว ย, ยกมือรู้สึกตัวงมีความสุขอย่างเลยเจียดายจังนี่วันที่หกแล้วพรุงนี้จะกลับและอย่างเงี้ยมีไหมยกมือมีคนเดียวเหรอสุข มันบอกถึงอะไรรู้ป่ะมันบอกถึงนะ น, นะพอเรามีความสุขมีสมาธิปั๊บเนี่ยกับการเคลื่อนมือสิบสี่ไปมันจะรู้จักทําใดเลยเรื่อยๆมันเหมือนกับเราจะสนใจกับตัวรูปแบบแล้วละ่ะถึงตรงเนี้ยเวลาทานข้าวเสร็จปับ๊บมันจะไม่ไปไหนอะไรกันเนี้ยนะมันจะมาที่ทางเดินจงกรมมันจะมานั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้ก็ไม่ถูกก็ทําไมตรงนั้นไม่ปฏิบัติล่ะ ตรงที่ล้างถ้วยล้างฐาดล้างจานล้วรประทานอาหารนะอย่างเงี้ยก็ต้องแก้ทันทีแก้โดยการที่ว่าวางสุกซะมันจะได้ผ่านเป็นตัวปัญญาทันทีไม่งั้นพอติดสุปกปั๊บตอนนี้งานการก็ไม่อยากทำํำเรียนก็ไม่อยากเรียนอยู่บ้านก็ไม่อยากอยู่บ้านคิดถึงแต่วัดอยากปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ให้สังเกตเอาไว้นะสําหรับนักปฏิบัติที่อยู่วัดอยู่ว่าเวลาเรามีความสุขเนียที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยนะ ก็แสดงว่ามีสมาธิอยู่ตรงนั้นนะให้วางกับว่าวางก็คืออย่าไปสนใจอาการเมื่อเช้าดีจังทํำไมบ่ายไม่ดีเลยเมื่อวานดีจังทำไมนี่แย่จังเอ๊ะวันนี้ทํำไมดีกว่าเมื่อวานเปรียบเทียบมิตรเหตุมิตรผลเพราะฉะนั้นทำมันจึงเป็นเรื่องเฉพาะหน้ามันกำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่าไปหาตรงไหนนละเดี๋ยวนี้อาการอะไรที่มันชัดที่สุดรู้มันตรงนั้นเลย แยกออกมาระหว่างอาการกับตัวนึงกับตัวที่เป็นตัวสติปัฏฐานก็ตัวตัวความเป็นปกติคนละตัวกันหรือว่าแยกยังไม่ได้ให้กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างว่าเช้าได้ยินพระพี่เลี้ยงท่านพูดบอกเน้นว่าเวลาหิวเวลามีอารมณ์ก็ให้กําหนดรู้นะว่าหิวอยู่ไม่ทานกินหรอกบอกเลยนะแล้วก็ดูไม่เป็นด้วยว่าตาในมันเปิดหรือยังเลื่มหรือยังสัมพันสโล่เนี่ยโล่หรือยังตรงนี้ทาหาง คุไม่สนใจอารมณ์และอาการที่เกิดขึ้นมาเลยกลับมาที่กรรมมรรฐานกายานุปัสสนาทิติปฐานทําให้คล่องตัวเจ้าตัวนี้นจานั้นเกิดการวางกายสมดุลที่กายเกิดขึ้นมาไอตัวสมดุลตัวเดิมจะไปสมดุลที่จิตด้วยบาลานซ์ที่จิตด้วยะถึงตรงนี้คุณจะทําอะไรทำํำไปเถอะรับรองได้เลยว่าคุณไม่ทุกข์หรอกนะจะเป็นชีวิตที่เรียกว่า มีกำไรทีเดียวนะสวยงามมากนะระหว่างตัวเองกับตัวเราเองนะมันเป็นเรื่องที่มันจะยิ้มได้อยู่ภายในจิตของเราลึกๆนะแล้วมันจะบอกอะไรกับตัวเองส้อนตัวเองมากมายเหลือเกินเราคงจะไม่ทําให้ตัวเองนะกลับไปทุกข์เหมือนเดิมอีกนะมีอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราหันไปดูละคนหัวลุกมันะเป็นอย่างนั้นจริงๆลคนหัวลุกนะเอาละนะพูดมาขนาดนี้เนะี่ยเดี๋ยว ใจพระที่จะเตรียมศึกพวกนี้แทใส่เราฟังสักหน่อยมีพระรูปหนึ่งนะตอนนี้ถ้าเราดูก็ผมดําที่สุดนะก็คือวันโกนไม่ได้โกนพระมีอยู่ที่ไม่ได้โกนผมเนี่ยผมดําที่สุดนะแจ้งว่าเตรียมศึกหรือไม่ก็ที่อื่นก็ไม่ค่อยจะตรงต่อเวลากันวันพระไม่ได้โกนพอเผือสองเดือนโกนครั้งหนึ่งดําปี๋ผมที่นี่นิยมโกนกันทุกๆสิห้าวันอย่างเงี้ยนะ วันนี้มีพระบีมพระบีมนี่มาบวชได้ก็เดือนจนึงวะช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็เคยมาไปเดืที่นี่บ่อยๆเข้าคอรจ ช, ช่วงปิดเทอมตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเรียนในดาวพฤหศึกษาศึกษาแล้วก็สมัยเป็น ชั้นปถมศึกษานะอายุ น, น้อยแปดเก้าขวบก็บวชเนนอยู่ตลอดนะบวชเนนนะก็มีชีวิตใกล้ๆพลาเหลืองเจียวๆว่าทางนี้อยู่ตลอดนะประนั้นการบวชหนึ่งเดือนนะดูที่ว่าปฏิบัติธรรมมันเกิดผลพัฒนาขึ้นมาอย่างไรนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตัวเองต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างหรือนะ ว, ว่าอารมณ์ปฏิบัติได้สัมผัสอะไรบ้างในการที่มาบวช ใช้ชุดนักเรียนในเครื่องแบบนะหลักสูตรและสั้นหนึ่งเดือนเน่ะแต่วันเย็นนี้ก็ขอกราบนิมนต์ให้พู้ธรรมะสู่ฟังตามสมควรแก่ทาแต่เวลาต่อไปกราบนิมนต์ครับก็ขอกับพัลตนาตายนะครับแล้วก็หลวงพ่ออาจารย์ทุกท่านแม่ชี แล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนนะครับถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมปกติเราจะเคยเห็นแบบนั่งสมาธิสงบสงบนิ่งๆใช่ป่ะครับแบบนี้ที่มาฝึกครั้งแรกน่าจะซัก ป ร, ประมาณประมาณปสี่ปสี่ครับก็ง ง, ง, งตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมาหลวงพ่อบอกให้ยกมือก็ยกง่วงนั่งหลับสะพังงกพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มมาเจอคอร์สอย่างนี้เหมือนกัน มาตรงกับช่วงคอร์สก็ได้ปฏิบัติ7วัน7วันหลายรอบหลายครั้งได้รู้เนื้อหาว่าเรามาเอาอะไรกับการที่มือมาแตะกันมาเอาแค่ความรู้สึกตัวที่เราปล่อยไปในทุกวันทุกวันนะครับ เอ่อจนเว้นว่างไปเว้นว่างไปยาวเหมือนกันจนถึงตอนที่มาบวชครั้งนี้เอ่อประโยชน์ของมันเนี่ยมันเว้นว่างนานจนบางทีเราลืมเราทิ้งไปแล้วคือแทบจะลืมไปด้วยซ้ำว่าแทบจะลืมว่าเรารู้อะไรมา ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนเห็นว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันหนักมากมันไม่รู้จะแก้ย <Currently, S 1> ag э ังไงเพื่อนก็ได้แค่ปรบได้แค่มาพูดคุยแต่ว่าเขาก็ทำได้แค่นั้นสุดท้ายเรากลับมาอยู่ในห้องคนเดียว เราเองคิดอยู่ในใจอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้ก็ลืมลืมลืมเรื่องนี้ไปเลยกลับมาบวชหนึ่งเดือนครบพรุ่งนี้ไอสิ่งที่มันเป็นปัญหาทั้งหมดที่เจอมาที่ผ่านมามันผุดขึ้นมาเป็นความคิดเป็นความคิดด้านบวกด้านลบความสุขกับความทุกข์ครับ ก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันเหมือนกับทุกคนแรกๆก็หลงไปกับมันติดหลังๆก็คือเราอย่าตามอย่าตามสิ่งนั้นไปกลับมารู้สึกแค่ตรงนี้ครับแค่มือแตะกันครั้งหนึ่งเราก็หยุดคิดไปครั้งหนึ่ง ความทุกข์ก็หายไปความสุขที่เกิดจากความคิดเราก็ไม่ยึดติดกับมันก็คิดว่าคิดว่าที่ถ้าออกไปใช้ชีวิตปกติการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำให้นักปฏิบัติธรรมทุกคนมีความสุขมากขึ้นแต่มันทำให้ ความทุกข์ใจที่มีอยู่ลดลงไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ติดกับความสุขที่เราได้รับมาเพราะว่าจากประสบการณ์ถึงจะอายุไม่มากแต่ความสุขที่เข้ามาทุกครั้งทุกอย่างมันเข้ามาเหมือนเราหายใจครั้งเดียวหายใจออกไปความสุขก็หมดไปแล้ว ลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึง่งกลับมาอยู่ในสภาพเดิมความสุขหายไปแล้วที่ได้เพิ่งได้รับมาเมื่อกี้หรือเวลาเรามีความทุกข์เราก็จะเก็บมาคิดติดเราไปเรื่อยๆคิดย้ำอยู่ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้การที่เราปฏิบัติอย่างนี้เราจะไม่ยึดติดกับความคิดที่เป็นทุกข์ และเราจะไม่ยึดติดกับความสุขที่เราได้รับมาเราจะคิดอยู่เสมอว่ามันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็หายไปกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวสิ่งที่เจอในตอนปฏิบัติก็เหมือนกับทุกคนความปวดเมื่อยความง่วงความคิดความเบือ่อแต่ว่า ถ้าถ้าจะพูดแบบสรุปสรุปก็คือทุกอย่างมันออกได้ถ้าเรารู้สึกตัวถ้าเราง่วงสมมติในขณะที่เราเรียนรู้สึกตัวหยิกตัวเองตัวเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนพยาบาลหมอเวลาคนไข้ไม่ได้สติ ไปเจออยู่ข้างทางประเด็กตึงเขาต้องกระตุ้นให้รู้สึกตัวก่อนนั่นคือเรียกความรู้สึกตัวให้ให้คนเจ็บเนี่รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างแรกในการช่วยชีวิตคือต้องให้รู้สึกตัวก่อนก็เหมือนกันไม่ว่าจะทาให้เราสิ่งที่จะทำให้เราหลุดจากอารมณ์พวกนี้ได้คือความรู้สึกตัวก็ คิดว่าแต่ละคนมีปัญหากันมาทุกคนเล็กๆในน้อยก็มีบางคนไปต้องไปทำนู่นทำนี่ถึงจะสบายใจก็เป็นกันทุกคน ไม่ว่าใครแต่บางทีที่เคยก็คืออยู่ในห้องเวลาเราทุกๆเนี่ยไม่ต้องอยู่ในห้องก็ได้ไปไหนก็ได้อยู่นิ่งๆกับตัวเองให้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราทุกอยู่นะเรากำลังเจออะไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกเองไม่ต้องไปขวนขวายว่าจะต้องทำยังไง เดี๋ยวทางออกมันก็โผล่ขึ้นมาเองโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวหรืออย่างถ้าเราได้รับอะไรมามีความสุขมากมายพรุ่งนี้ก็หายไปแล้วก็ถ้าเรายึด ต, ติดเราก็จะเสียใจอีกก็เป็นทุกข์อีกสุ ข, ส ข, ส ข, สขทุกข์สุขทุกข์วนกันไปวนกันมาแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆตรงกลางเนี่ยความสุขกับความทุกข์ที่มันผ่านไปผ่านมา มันผ่านอยู่แล้วมันผ่านตรงกลางอยู่แล้วแต่เราจับมันไม่ได้เราก็ทำสังเกตบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าจุดๆนั้นอะ่ะ ม, มันมีอยู่แล้วครับก็บางคนที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมจะได้อะไรก็ยังไม่ต้องไปสงสัยมันนะครับอย่างเด็กๆ อาจจะยังไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์เดี๋ยวถ้าเจอปัญหาขึ้นมาจริงๆมันจะมีประโยชน์วันนั้นมันเหมือน2การฝึกสติเนี่ยมันเหมือนมีสองประเภทประเภทแรกคือไอตอนที่เรายกมืออยู่เนี่ยความคิดที่มันเป็นทุกข์มันโผล่ขึ้นมาเหมือนมันมาให้เราซ้อมก่อนเหมือนมันมาให้เราซ้อมว่าเฮ้ยความคิดที่มันเราเคยทุกข์มาเนี่ยเราจะหลุดจากมันยังไง เราก็มาอยู่กับความรู้สึกตัวอันนี้คือการซ้อมถึงเวลาจริงๆเราไปเจอใครพูดไม่ถูกใจเราโกรธใครพูดให้เราไม่ไม่พอใจเรากลับมาอยู่กับตัวเองได้หรือเปล่าเราคุมอารมณ์ตรงนั้นได้หรือเปล่าเราเห็นได้หรือเปล่าว่าเฮ้ยโกรธแล้วนะอันนั้นคือเวลาเจอของจริงเจอความทุกข์จริงๆเราจะไม่ทุกข์ได้ไหมเราจะออกมาจากความทุกข์ได้ไหม อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนขับรถเราขับรถเราต้องคุมสติตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดเมื่ อ, อไหร่ถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับว่าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต้องมีสติตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่ อ, อไหร่โดนกินอะไรไปท้องเสียตายก็ได้โดนตะปูทิ่มนิดเดียวสองอาทิตย์แข็ง เป็นอมพาศตายมัทยก์ก็ได้แค่นี้นิดหน่นอยก็ตายได้แล้วสมัยนี้เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ถ้ามีสติตลอดเวลามันก็จะช่วยให้เรารู้สึกตัวเรารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรแล้วเราจะออกจากจุ ด, จดนั้นได้ก็ พรุ่งนี้จะสึกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษอะไรไม่ได้รู้สึกว่าออกไปแล้วดูตัวลอยขึ้นดูแบบมีสงาาส่าราศีดูเป็นคนใหม่ดูเป็นคนดีขึ้นก็ก็คือคนเดิมแต่แค่คือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายหนึ่งเดือนนี้ไม่ได้ทําให้มีอะไรมากขึ้นแต่ทําให้กลับมาดูตัวเองมากขึ้นทําให้เห็นอะไรหลายอย่างที่ผ่านมาว่า โอ้อะไรความคิดดีๆความคิดไม่ดีมันมันฟุ้งหมดแต่เราก็อย่าไปยึดติดกับมันก็กลับมาสร้างสติเราได้ตัว เ, เนื้อหาเนื้อหาของตัวเราเองออกไปเราไม่ได้สิ่งรอบข้างเลยเราได้รู้ตัวเองออกไปแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วนะครับ ก็ขอให้ขอให้ทุกคนอย่าลืมอย่าลืมสติของตัวเองไม่ว่าในกรณีไหนๆถ้าเกิดความทุกขความสุขใจเริ่มลอยเริ่มเหลืองทุกจนไม่รู้จะหาทางออกอยังไงไม่รู้ว่าจะพึ่งใคร ก็ขอให้พึ่งสติของตัวเองก็มีอะไรจะฝากเพียงเท่านี้ครับกวังไทยก็มีผู้ศาสนาแบบไทยๆแบบนี้นะมันเอื้อให้กับพวกเราทุกคนได้โอกาสอย่างที่นั่งนศสำเนินศีลังกาอายุมากแล้วโดวยประเทศศีลังกาเขาจะบวชพระได้เนี่ยโอ้ต้องหลายปีต้องเป็นเนนหลายปี เราต้องตั้งใจบวชตลอดชีวิตอย่างเงี้ย น, นะเพราะนั้นมันมีความหมายมากศาสนาแบบไทยๆนะมรรคผลนิลพพานและเรื่องของสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทุกคนนะก็จึงเหมือนกับว่าเราได้ให้โอกาสของตัวเราในฝะึกหัดด้รับรู้เรียนรู้ท้นะายสุดก็จะเกิดประโยชน์นะต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นต่อไป การสรรพสิ่งต่อไปตัวนี้แหละมันก็จะเป็นกำไรชีวิตของเราจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนต่างๆในรูปแบบนอกรูปแบบในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบในวัดนอกวัดเราใช้ชีวิตได้อย่างเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในทำปะโยชน์ทำประโยชน์ทันว่าจะเป็น คุณค่าของกายใจเราที่มีอยู่รูปทํานามธรรมขันธ์หลวงพ่อท่านก็เลยหลวงพ่อเขียนนะะท่านก็เลยใช้ก็ว่าต่อไป น, นี้จะไม่เอากายเอาใจ เ, ใจเป็นความสุขความทุกข์ไม่เอแต่ว่าใจทําหน้าที่นั่งเดินยืนนอนทำประโยชน์ไปอย่างนี้น ะ, ะเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกัน